บุญจงบังเกิดกับผู้มีความตั้งใจที่จะมาประกอบคุณงามความดีอีกลานตีนี้วันเวลาช่างผ่านไปไวเหมือนกับสายน้ำที่ไหลไม่มีวันไหลย้อนขึ้นมีแต่ ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นวันเวลามันไหลไปมันไม่หวนกลับมาเหมือนกับความไม่เหมือนกับความคิดความคิดของมนุษย์นั้นได้แต่เข้าไม่ออก ทำไมคิดอย่างนี้ทำไมบอกอย่างนี้ความคิดมีแต่ไหลเข้าเรื่องราวที่เข้าสิ่งที่มองเห็นเสียงที่ได้ยินรสชาติที่เราได้สัมผัสถูกต้องเช่นรสชาติอาหารรสชาติของการมองเห็น รสชาติของเสียงที่ได้ยินเข้าไปในรูหูกลิ่นที่มองกลิ่นที่ได้ได้กลิ่นจากทางจมูกร้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งสิ้นนักปฏิบัติทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจตัดความง่วงเหงาเหานอนเสีย ตัดความเมื่อยล้าตัดความเบื่อหน่ายและห่วงใยสิ่งน า, นานาประการให้นึกซะว่าทุกสิ่งทุกสังทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นความคิดล้วนแต่เป็นความนึกที่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น การคิดการนึกทำให้เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องหมายความตายตายจากความจริงจากทางตาบ้างทางหูบ้างทางกลิ่นเมื่อตามองเห็นรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเราก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นา เมื่อหูได้ยินเสียงที่พอใจกับไม่พอใจเราก็ปรุงแต่งเข้าไปในใจต่างๆนานาเมื่อจมูกได้รับกลิ่นกลิ่นที่ถูกใจและไม่ถูกใจก็เข้าไปในใจทำให้เราปรุงแต่งต่างๆนานาเช่นเดียวกันอาหารที่เข้าไปในปาก ไปกระทบริ้นที่รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ปรุงแต่งเช่นเดียวกันสรุปแล้วว่ามนุษย์นั้นรวนแต่มีจิตใต้สำนึกที่ปรุงแต่งก็คือนึกไปนึกมาเมินึกได้คิดได้แล้วก็ได้อย่างที่คิด เรียกว่าสมปรานาแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยทำไมเราไม่นึกถึงสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายเราก็ต้องตั้งข้อสงสยัยแล้วก็นึกเข้าไปเห็นรูปร่างของตัวเองเนี่นั่งอยู่ตามสภาพ มือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโธในขณะ น, นี้อย่างที่หลวงพ่อได้สอนไว้ตามอันดับที่ค่อยๆร้อมกอบพวกเราร้อมกอบร้อมครอบให้ทําความเข้าใจทั้งกินทั้งอยู่ ทั้งหับทั้งนอนตามสภาพของสภาวะที่เกิดขึ้นพยายามหาครูบาอาจารย์ตั้งสิบเอ็ดวัดสิบสองวัดรวมทั้งแม่ชีใหญ่ด้วยท่านมหาดำรงท่านมหาสมชายก็คืออาจารย์เ่งนี่แหละ พยายามค้นหาอุปมาอุปมัยนิทานชาดกทั้งหลายมากอมมาขัดมาเกลาให้กับบรรดาญาติโยมที่มาประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งคืนและ ว, วันเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยได้ขัดกรมดนตรีเนี่ยน า, นานานักลองเลยทีเดียว เมื่อขัดกรมสุกสํารลานดีแล้วทั้งกินและนอนพักผ่อนกายาตามสภาพของสถานภาพความเป็นอยู่ที่ชั้นร่างบ้างชั้นกลางบ้างแล้วก็ชั้นสูงบ้างตามวาระของอาหารก็คือท่านจะภาพนั่นเองแต่ระวันแต่ละวันเนี่ย ก็ท่านจะภาพก็นึกคิดปรุงแต่งหาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะเป็นเครื่องอุ ป, ปโภคบริโภคเพื่อจะได้ยังให้มีกำลังประพฤติปฏิบัติได้แต่ท่านทั้งหลายพยายามเดิมกัดกินเข้าไปแล้วทำให้มีภลระกำลัง ก็มีสองกำลังเท่านั้นเองกำลังทำความดีกับกำลังทำความชัว่วความชั่วก็หมายถึงว่าปุงแต่งคิดความชั่วก็คือกิเลส ท, ทำให้เรามัวหมองใจนะเช่นไม่มีกำลังที่จะมาทำวัด ไม่มีกำลังที่จะได้มาประพฤติดีปฏิบัติชอบขยันหมั่นเพียรไม่เพียงพอเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปนอนพักผ่อนกายาตื่นขึ้นมาก็ฉันมือเพลนอีกอาดมาก็ได้เห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการเป็นอยู่ในปัจจุบันกน็นึกว่าโอ้นอชีวิต แม่ชีแม่พามขนาดเวลาที่จะพักผ่อนก็ได้ยินเสียงตำนำพิกหาเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรพิรสุสงฆ์สามเณรก็ฉันกันอย่างอเลดอร่อยโดยความยากลำบากของผู้เป็นแม่ครัว พิสูสจสัมาเนนก็ด้วยความยากลำบากก็ช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างงานที่จะทำได้บางรูปบางองค์ก็ฉันแล้วก็นอนเป็นปกติที่มีจิตใจเนี่ยคุณมัวไปด้วยกิเลสตัญหาก็คือความเสื่อมของชีวิตก็คือเสื่อมของความคนที่เป็นปัญญา เมื่อเราพิจารณาหาเหตุหาผล ด, ดูตัวดูตนดีแล้วว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราขาดทุนหรือว่าได้กำไรในความคิดตรึกตองนึกคิดของตัวเราเองในขณะนั่งเนี่ยยังหัวห้อยประคองตัวเองไม่ได้ยังงองุม ประคองกายตัวเองก็ตองไม่ได้เพราะว่าไม่เคยตั้งใจทำอะไรที่มันแน่แน่แล้วก็ดิ่งไปในจุดหมายปลายทางของชีวิตคือรักของธรรมธรรมก็คือธรรมชาติไม่ว่าสมัมมาเนรไม่ว่าพระพิสุหรือแม่ชีอุปาสสกบาจิกา ถ้าใครรุ่มหลงมัวหมองต่อสภาพที่เกิดขึ้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในความคิดของตัวเองได้ตามสภาพของพระธรรมคำสั่งสอนได้ก็หมายหมายว่าปลูกพืชก็ไร้ผลมีนาก็ไร้ข้าวมีน้ำก็ไม่มีป่าฉันใดก็ฉันนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายและนักปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆ อ, อยู่เตินมองเข้าไปในใจของตัวเองมองเห็นจิตสภาวะจิตของตัวเองเนี่ยก็ยิ้มเข้าไว้ตอบใจตัวเองเข้าไว้ก่อนในอันดับต้นๆแล้วก็มองเห็นใจเนี่ยใจตัวเองที่เต้นเนี่ยเราก็เป็นช่างสมมุติอยู่แล้ว เป็นบุคคลที่ชอบปรุงแต่งนึกคิดอยู่แล้วก็เอาไอ้คําที่มันปรุงแต่งนึกคิดนี่แหละคิดเข้าไปในใจของตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นอย่าแบ่งใจให้คนอื่นในขณะนี้มองเห็นใจตัวเองแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ก็เรียกว่าปอบใจตัวเองไว้ก่อนอันดับแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สอนเรื่องของสมถะ สมตาก็ให้เห็นตัวเป็นอันที่จังเป็นของไม่เที่ยงฟัวเมียก็ไม่เที่ยงปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติก็ไม่เที่ยงเที่ยงตรงก็เป็นแค่เวลาที่เขากะหรือว่าสมมุติขึ้นมาว่าเวลาเที่ยงตรงเราลองนึกเสีว่าเราไม่เคยคิด ถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องเดียวในวันเดียวตั้งแต่เช้าเราเนี่ยเราก็คิดปรุงแต่งว่าเราก็จะต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนเราก็ต้องไปชำระล้างหน้าตาเราก็จะต้องขวายที่จะได้มาทาวัด เราต้องเจอคนนั้นคนนี้นึกถึงสิ่งของนั้นสิ่งของนี้กลัวจะลืมกลัวจะหายกวนกวายใจโดยที่ไม่มีสติรู้ตัวว่าโอ้เนาวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระเสกด้วยวันนี้วันนี้เป็นวันพระเราก็จะได้อยู่กับพระ เราก็จะต้องทำใจของเราเนี่ยให้เป็นพระวันนี้พระเนี่ยก็คือตัดความโรคความโกรธความหลงก็คือละกิเลสนั่นเองละทางไหนละทางใจเมื่อใจเราละแล้วละก็คือเลิกเลิกที่จะคิดก่อนในอันดับตน้ตนๆเมื่อเราเลิกที่จะคิดเนี่ยในสิ่งที่มันมัวหมอง แล้วก็มองใจข้างตัวเองว่าในขณะนี้เนี่ยเราคิดถึงเรื่องของอ ก, กุศลหรือว่าบุญกุศลอ ก, กุศลก็หมายถึงว่าเป็นคนที่คิดไม่ดีคิดตำ่ำเมื่อคนคิดต่ำเนี่ยลองนึกซตั้งแต่ตีนเนี่ยตั้งแต่หัวเนี่ยมันคิดลดลงไป ไอ้คนลามมกมันก็คิดว่าโอ้ไอ้นี่สวยไอ้นี่หลอ่อมองไปว่าเออไอ้นี่หุ่นรูปนามอย่างนี้จะต้องมีเพศอย่างนั้นจะต้องมีตันหาราคะอย่างนี้มองเห็นสัจจะคือความจริงไม่ได้มองว่าโอ้ล้วนแต่เป็นอันนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเพราะจิตใจต่ำเนี๋ยวก็มองเห็นสิ่งที่มันถูก ก็มองเป็น <palm> ผ <kw land> ิดได้ยินเสียงก็ปรุงแต่งไปเรื่องของกิเลสตัณหาได้เห็นภาพเนี่ยเราก็นึกถึงตัณหาราคะกามลาคะได้เห็นเดินนั่งยืนนอนเนี่ยในขณะหลับเนี่ยก็ยังฝันลามกจกระเปตดอีกเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันต่ำเนี่ยมันลดลงไป ต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปจนลืมนึกถึงตัวเองเราก็ไปนึกถึงคนอื่นชายนึกถึงหญิงเนี่ยจะนึกถึงเรื่องอะไรหญิงนึกถึงชายเนี่ยเร่าร้อนจิตใจแสวงหาซึ่งกันและกันเนี่ยจะนึกถึงสิ่งอะไร แต่ถ้าเกิดเราไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีจิตอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเห็นไหมนี่เป็นการสอนจิตใต้สำนึกให้เรานึกดีนึกชัว่วให้มันหลุดออกมาจากจิตใต้สำนึกซะการมองเห็นการได้ยินนักปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อเราได้พิจารณากายของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นของอนิจจงรูปนามก็เป็นของสมมตุติว่าเราชื่อนี้นางนั่นนางนี้ล้วนแต่เป็นสองของสมมุติทั้งสิน้นการเกิดแ่เจ็บใจนี่เป็นวัตจัคือการเวียนว่ายที่เรามองเห็นเนี่ยทุกมีทุกวันมีการเกิดแล้วก็มีคนตายอยู่ทุกวัน เราก็มองเห็นปู่ของปู่ย่าของย่าเนี่ยก็มีต่การตายอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นเมื่อการเกิดของมนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งเด็กก็ยังต้องร้องใช่ไหมเราอย่าไปลาคาญมันเด็กเล่นมาเนี่ยจนตกอกตกใจเพลิดเพลินใจมีจิตได้สานึก ก็ฝันลายบางตกใจตื่นบ้างตกใจร้องไห้ในสิ่งที่นึกเรียกว่ามีจิตได้สํานึกเรียกว่าฝันลายเดอพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้านึกสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกตกใจหรือรับข่าวที่ไม่ดีหรือเสียงที่ไม่ดีที่ไม่ถูกใจเราก็รู้สึกว่าตกใจคุณข คุณเคืองใจหม่มองใจเพรา ะ, ะนั้นสรุปแล้วเนี่ยความสำเร็จมันอยู่ที่ใจแต่การสำเร็จที่ใจเราก็ต้องตั้งใจให้ชนะความชั่วมาประกอบกำดีให้ได้ก็คือ น, นึกถึงแต่คุณงามความดีอยู่เสมอนั่นเองเมื่อเรานึกเห็น ร่างกายของเราเนี่ยแค่รูปนามเท่านั้นนึกถึงรูปร่างสังขารของเราแค่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟธาตุดินหลวงพ่อก็บอกไปแล้วให้พิจารณากระดูกในขณะนี้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นตัวเองเป็นกระดูกหรือยังกระดูกของเรานี่เป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นเตรี้ยวเป็นแขนเป็นขา เป็นกระดูกหลังกระดูกเอลเป็นสโอกเป็นซี่โคงซี่เล็กซี่ใหญ่เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่กระโหลกของเราเนี่ยไม่มีหนังไม่มีเนื้อเห็นกระโหลกตาโบฟันแงหูก็เป็นรูบโบหมดเมื่อเรารับเมื่อเราเห็นเป็นโครงกระดูกที่ตั้งอยู่เราก็เห็นว่าโอ้เนา กระดูกของเราเนี่ยมันยังหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นต่อนเป็นเตียวไม่ได้มาชิ้นเดียวหรือนี่ขนาดฟันเนี่ยก็มีสาสบสองซี่เห็นไหมขนาดปากเราเท่านั้นเองแสดงว่าไอ้ปิงไอ้เป็ดเนี่ยไอ้คนที่ชั่วเขาเรียกว่าดีก็ปากชั่วก็ปาก ไอ้ปากของเราเนี่ยมีถึง32ชิ้นเนี่ยกระดูกเฉพาะฟันนะโยมนะเราต้องฟาดฟัน32ชิ้นเนี่ยก็คือมันหล่อเลี้ยงร่างกายของเราก็เรียกว่าอาการ32ถ้าฟันซี่หนึ่งซี่ใดเราหักหลุดไปเท่ากับเราเนี่ยพิ ก, การไปหนึ่งอาการ32เราเนี่ยพิ ก, การไปแล้ว พิการทางไหนก็เพราะว่าอาหารที่เราเคี้ยวเนี่ยแทนที่จะแหลกสม่ําเสมอมันก็แหลกไม่เท่ากันแล้สังขารเราที่จะได้รับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันสม่ําเสมอทุกแหลทัดเนี่ยมันก็ละเอียดน้อยลงไปการอปรภคบริโภคเนี่ย แรงขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเด็กๆมันก็ค่อยๆเกิดฟันหน้าซี่ล่างซี่บนมันเกิดมาทีละซี่บางสองซี่บางนมันเกิดจนเต็มปากนค่อยๆไล่มาเมื่อในขณะที่มันยังไม่มีฟันเนี่ยมันก็ไม่สามารถกัดได้เคี้ยวได้เนเราลองนึกสภาพซิ ตอนเด็กๆเกนี่ยทำไมต้องทานนมทานของละเอียดจะต้องบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดหรือเอามาปั่นให้ละเอียดเพื่อจะได้ป้อนลูกของเราไอเด็กนี่มันก็เคี้ยวไม่ค่อยเป็นกัดก็ไม่ค่อยเป็นพ่อแม่ก็ต้องค่อยๆประคองป้อนที น, นทั้นนิดทีละหน่อย ขนาดป้อนให้ยังไม่ค่อยจะเ ก, กินอีกไอเด็กกันหลุดล่วงลุยไลย่สกรปรกมอมแมมไปหมดมือมันก็จับต้องไม่ได้แขนขาก็ส่งตัวไม่ได้พูดก็ไม่รู้ภาษาอันนี้ไม่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นรสเปรี้ยวรสหวานยังไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะไม่รู้ภาษา ยังไม่รู้ภาษาก็คือยังไม่ได้เรียนรู้นั่นเองถึงรสชาติถึงความโรคความโกรธความหลงเนี่ยยังมาด้วยความบริสุทธิ์อยู่ไอ้ฟันนี่มันก็เริ่มโผล่มาทีละซี่นซี่หนึ่งซี่สองโดยมากจะขึ้นทางบนแล้วก็ทางล่างมันมาพร้อมๆกันเซะด้วยนยฟันฟันหน้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนเนี่ย ให้จำหน้าคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าก่อนว่าไอ้คนดังหน้าก็คือพ่อกับแม่นั่นเองบางคนคนโบราณก็ถึงบอกว่าเวาลาฝันว่าฝันหน้าหักเนี่ยนะก็จะนึกถึงเพื่อนฝูงนะหรือญาติทางไกลที่จะต้องเสียชีวิตเนะี่ยอุปมาอุปมยไปอย่างนั้น ไอ้ฟันหน้าเนี่ยก็ให้เห็นว่าจำหน้าก่อนเริ่มแหลกไอ้ที่ให้อาหารเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มกอดเราเลี้ยงเราให้เสียงอยู่เปิดประกอบเวลาตลอดเวลาลูกครับลูกจ๋าอยู่ตลอดเวลาพอะเราหิวเนี่ยรู้สึกหิวเนี่ยเรารู้เลยเวลาว่าตอนไหนที่เราจะต้องป้อนข้าวลูกเราอีกแล้ว เราจะให้ข้าวให้น้ำลูกเราพอลูกลืมตายิ้มหน่อยเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็โอ้โหประทับใจทั้งกอดทั้งหอมทั้งอุ่มทั้งโยนทั้งหลอกล้ออยากให้ลูกเนี่ยมีความสุขจเจริญเติบโตทุกวันทุกวันไปแต่หารู้ไม่ว่าอสูลเนี่ยอสุลกายเนี่ย อ่ะเแปลว่าดีนะร่างกายดีลูกเราเนี่ยเกิดมาร่างกายครบอาการ32 <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ย <c oughs> เข้าสมถะแหละประกอบโดยวิปัสสนาก็คือรู้เท่าทันของสังขารสภาพที่เกิดขึ้นที่หลวงพ่อกำลังอธิบายเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาถ้าเรานั้นรู้แต่ร่างกายสังขาร ไม่รู้เหตุรู้ผลว่าอะไรมันเกิดขึ้นในขณะที่เกิดในชีวิตเราเพราะเราเนี่ยไม่เคยพิจารณามองหาต้นเหตุแต่ก็ได้แต่กินแต่ผลเหมือนเราไม่เคยปลูกแต่งปลูกผลไม้เนี่ยแต่เราได้เคยบริโภคเลี้ยมรสผลไม้บางคนรู้แต่ผลรู้แต่รสชาติ แต่ไม่รู้เลยว่าต้นมันเป็นอย่างไรรสนะชาติที่เขาปลูกมากว่าจะได้ผลเนี่ยชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนี่ยจะต้องลําบากก า, กากกรรมอย่างไรจะต้องใช้อายุใช้เวลาเนี่ยบำรุงรักษาเนี่ยกว่าจะได้ผลมาให้เราทานเนี่ยมันจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงไรจะต้องปลูกยังไงรักษายัางไง แต่ชีวิตเราเนี่ยก็ถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาปลูกแล้วก็ฝังนะฝังก็คือฝังจิตใต้สำนึกอันนี้ช้อนนะอันนี้มีดแนตะ่เขาเรียกว่ามีดนะลูกอย่าเล่นนะมันจะบาดมือเลือดจะออกมันจะเป็นบาดแผลอันนี้น้ําเย็นนะลูกอันนี้น้าร้อนถูกแล้วก็จะลวกเป็นบาดเป็นแผลเห็นไหม คนที่ปรุงแต่งให้เรานึกว่าสิ่งนี้มันทำได้สิ่งนี้มันทำไม่ได้เขาจึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนพระอรหันต์องค์แรกเป็นผู้ที่ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้กายให้อาหารเราทุกสิ่งทุกอย่างเราลองนึกซื้อว่าเราเกิดมาเนี่ยโต อายุตั้งยี่สิปี30ปีส0ปีจนถึงห้าปีห0สปีเนี่ยเราได้เคยป้อนข้าวป้อนน้ำพ่อแม่บ้างหรือเปล่าเราอยู่จนฟันเต็มปากแล้วนะฟันมันมีสามสสองซี่ฟันที่แน่นที่สุดลึกที่สุดแข็งแรงที่สุดก็คือฟันกรามนะ กามตัวนี้ก็คือกามาลาคะหรือการมาตัญหานั่นเองมันสุดแล้วมันซี่สุดท้ายมันไม่งอกออกมาเพิ่มอีกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองนึกซส้ว่าโอ๋หนอเรามันชั่วหรือมันดีขนาดพ่อแม่เนี่ยลืมตาครั้งแรกเนี่ยฟันซี่แรกเนี่ย ก็ลืมตาเห็นก็เห็นหน้าพ่อและแม่แหละเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องของเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเห็นบ้านเห็นรถเห็นเครื่องอุ ป, ปโภคบริโภคเนี่ยที่เกิดจากความยากลําบากของพ่อของแม่เกิดความสะสมตะเกียกตะกายใช้เวลาให้กับเรามาเนี่ยหนึ่งชีวิต บางคนถึงกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยตายลงไปเมื่อตายลงไปแล้วเนี่ยท่านได้อะไรไปบ้างท่านได้รถไปหนึ่งคันไหมได้บ้านไปหนึ่งหลังไหมอาดมาไปเห็นคนจีนที่เขาตายแล้วไปงานศพเห็นเขาจ้างคนสร้างรถ ด, ด้วยกระดาษ สร้างบ้านโดยกระดาษมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้ใช้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เอาไปไหว้งานศพเออมันก็แปลกดีแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นของสมมุติติดตายแล้วเนี่ยคนอยู่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าให้เอาไปใช้ในเมืองผีถ้าผีมีรถเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้อง แหกไฟแดงมืองแหละทําให้เราเนี่ยตายกันเกลื่อนหมดก็เรียกว่าผ่าไฟแดงนั่นเองเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตราจรของผีเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือรอตํารวจตายเลยตารวจตาราจรที่มันตายคงไปเป็นตราจรเมืองผีเข้าไปอีกผีก็มีการแย่งบ้านแย่งรถแย่งที่ไม่รู้ว่ามันจะแย่งยังไง เมืองผีผีก็คือการหลอกนั่นเองหลอกก็คือการคิดการนึกการปรุงแต่งในสภาพเหมือนในปัจจุบันคนที่คิดถึงอนาคตก็ต้องมองเห็นปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันเราย่ำแย่ด้วยความคิดอนาคตมันก็จะต้องแย่เพราะมันจะต้องเกิดสิ่งมัวหมองทางใจเราแน่ อดีตเราไม่รู้แต่เราดันไปคิดคิดว่าอาดีตชาติเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจว่าโอ้เนอเราเกิดมามีบุญน้อยจึงมีทรัพย์สมบัติน้อยไม่มากมายร่ํารวยเหมือนคนอื่นไอ้เหี้ยอีเหี้ยนี่มันคิดตลอดเวลาไอ้กิเลสนี่แหละคําว่าไอ้เหี้ยก็คือชายนั่นแหละอีเหี้ยก็คือผู้หญิง มันเฮีย่ยมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่บรรทบุรุษแล้วที่ปลูกฝังกันมาจิตใจจำนึกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเกิดจากไหนก็เกิดจากพันธุ ก, กรรมพ่อแม่ดำลูกก็จะต้องดำเห็นหมพ่อแม่พิกลพิการลูกก็ต้องพิกลพิการไม่งั้นก็ตกไปถึงลูกหลาน เรียกว่าพันธุ ก, กรรมเช่นว่าบ้านหนึ่งบ้านใดได้เคยเป็นโรคจิตประสาทควบคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นคนพิกลพิ ก, การมาตั้งแต่บรรทบุรุษแล้วก็มามีลูกไม่พิกลพิการแต่มาเกิดในช่วงหลานเหลนหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันติดมาตั้งแต่พันธุ ก, กรรติดมาตั้งแต่กระแสเลือดนีย่ยอยู เพราะนั้นกรรมเนี่ยมันติดจรวดหรือติดตัวมาตั้งแต่อ่อนแต่ออนตั้งแต่เกิดนะโอ้ยหน้าตาเกิดมาเหมือนพ่อเหมือนแม่บางคนก็บอกโอ้ยพ่อแม่ไม่เหมือนเลยมันเป็นเหมือนไข่ไว้เนี่ยเหมือนยามข้างบ้านหรือเปล่าแต่แท้มันก็ไปติดอยู่พันของพ่อของแม่นะที่เกิดมาอุปนิสัยสันดานเนี่ยสันดานก็คืออุปนิสัยเดิม ของบรรทบรุลุที่เกิดขึ้นก็พ่อเนี่ยหลังอสุจิเนี่ยหลังน้ำเชื่อมาเนี่ยสามล้านกว่าตัวยมหลังเข้ามาในหลังไข่ของของแม่เนี่ยสามล้านกว่าตัวเราเนี่เป็นคนบุคคลที่โชคดีเนี่ย r ัมเวันมาเลยได้วิ่งเข้าหลังไข่ของแม่นะสู้วบเข้าไป เข้าไปในหลังไข่ก็จุดติเกิดปฏิสนธิจากพันธุกรรมของแม่ของพ่อและไอ้สองรยกว่าล้านนี่แหละมันไปไหนไอ้สองอกว่าล้านนี่ก็ร่วงโรยหมดเวลาก็ตายไปไม่ได้เกิดไม่ได้จุดติไอ้ตัวจุดติมันก็คึกคักคึกขนองว่าโอ้เรานี่โชคดี ก็เหมือนกับคนร้อยคนเนี่ยจะโชคดีสักคนเนี่ยเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคนทั้งหลายล้านคนซื้อกันจนหมดกองฉลาดถูกลงวันที่หนึ่งคนเดียวหมายเลขเดียวเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมาเป็นชุดลอตเตอรี่มันยังแดกหลวงพ่อเลยเนาะภาษาอะไรมึงขังแค่ไหนที่นั่งอยู่เนี่ย กูว่ามึงต้องโดนแดกเหมือนกูนี่แหละกูก็มีความอยากได้เมื่อก่อนนี้นะไม่ว่าใครท้งนั้นก็ปรารถนาที่จะได้ไม่ปรารถนาที่จะเสียสูญหายไปเช่นมีคนรักเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ตายจากมีใครบ้างอยากให้ลูกตายไปให้หมดกูจะได้อยู่บ้านคนเดียว ถ้าคนคิดอย่างนั้นก็จะแสดงว่าโลกจิตเนียโลกจิตชัดๆเนกูก็คิดเหมือนกันว่าเป็นโลกจิตเหมือนกันนะอยากให้มันตายกันทั่วโลกเลยเหลือกูคนเดียวในโลกนี้โอ้โหถ้าเหลือคนเดียวท่านทั้งหลายเราจะคุยกับใครจะคุยกับ น, นกนกมันก็ไม่คุยกับเรา จะคุยกับกุง้งหอยปูปลามันมีมากมันเกิดเพราะเรากินมันน้อยเราจะทํำยังไง <_ S 1> เหมือนไอหนังที่มันทําสัตว์ประหลาดแมงมุง ม, มก็เยอะหนูก็เยอะนะสิงสาลาสัตว์ตะขบับแมงป่องนี่มันเยอะมากพอมันเยอะมากๆขึ้นมันก็ลุมกัดกินเรานะเห็นไหม สัตว์โลกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างมาให้มีการเกิดนะการดับการพัดพลากการประหัดประหารกันด้วยสัตว์ต่างๆมาแมลงก็ถูกไก่กินนะไก่มันก็กินมแมลงไอ้ไก่มันก็ถูกหมาป่ากินหมาป่ามันก็ถูก สัตว์อื่นกินเช่นเดียวกันเหมือนกับต้นไม้เลยต้นไม้มันโตเป็นร้อยปีหลายร้อยรอยปีมันก็ต้องตายไปไอ้ต้นใหม่มันก็งอกงามมาใหม่ไอ้ต้นใหญ่ก็เหี่ยวแห้งลอยตายไปเราก็เห็นอยู่แล้วขนาดหินมันยังเสื่อมอะอยังกลับยุ่ยละลายกลายเป็นดินเป็นกรวดเป็นทรายได้ นับภาษาอะไรกับมนุษย์ปุตชนคนปกติเหมือนกับพวกเรามีเลือดมีเนื้อนิ่มหวานกรอบไม่ได้แข็งเหมือนเนื้อไม้เนื้อหินแต่ก็บอกแม้มันใจหินใจดำเหมือนหินแต่ชาติน่ะสรุปแล้วทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกที่เราจะนึกดีทำดีเนี่ย มันอยู่ที่การร่วมกันทำร่วมก็หมายถึงว่าทั้งกายและใจทั้งวาจาทั้งหูทั้งตาเนี่ยเราจะต้องรวบรวมกำลังใจให้เป็นหนึ่งให้ได้ในชีวิตเราจะต้องคิดบวกให้ได้อย่าได้คิดลบรู้เลยว่าฆ่าคนเนี่ยจะต้องติดคุกถูกประหารชีวิต เราก็อย่าไปฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์นั้นเขาเลี้ยงไว้เรามาขาโมยของเขามาฆ่าเราก็ผิดอาญาก็จะต้องติดคุกติดตารางใช้หนี้ใช้สินเขาเราก็อย่าไปทําการโกหกหมดเท็จหลอกคนอื่นพูดไม่เป็นความจริงพูดเพ้อเจอ้อพูดและทําให้ผู้อื่นเสียหายเราก็อย่าไปพูด การช่อฉุนช่อโกงเป็นโชว์เมียเขาไปลักไปขโมยลูกเขามาเอามาจากอกพ่ออกแม่พ่อแม่เสียใจเพราะว่าลูกนั้นถูกเขาหลอกเขาลวงเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเสียใจพี่น้องก็จะต้องโกรธแค้นจะต้องมีเรื่องมีราวเราก็จะไปทํา เป็นลูกเขาโชว์เมียเขาเขาก็รักเมียเขาผัวเขาเราก็อย่าไปทําปัญหามันก็ไม่เกิดกับเรา <c oughs> แต่ถ้าเรามีจิตได้จํานึกอที่ต่ําลง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เราก็มองเห็นโทษไม่เห็นยิ่งพระเป็นพระคุณเจ้าเนี่ยให้บําเพ็ญเพียนสติให้มากการบําเพ็ญเพียนก็ให้พินิจพิจารณาตัวเองให้มาก ก็จะได้มีเหตุมีผลมีสติมีความรู้ตัวรู้ตนฝึกตนเองเนี่ยให้มากขึ้นเมื่อก่อนหลวงพ่อกับเป็นแบบพวกเรานี่แหละยังอยากได้นันไดนี่พูดยังไงเนอะที่จะได้ปัจจัยได้เงินได้ทองจากญาติโยมจะเอามาสร้างวัดเนี่ยและสร้างวัดเนี่ยจะไปแข่งกับใครนอนคนเดียวก็นอนไม่หมดวัดมันก็ต้องใหญ่โต ใครเข้าวัดก็หวงสถานที่ไม่อยากให้ใครเข้ามานอนเพราะว่ามันเยอะเกินสกรปรกโสโคกเอาแล้วสร้างมาทําไมวัดหามาทําไมเอามาเก็บไว้ตัวเองก็เอาไปไม่ได้เมื่อก่อนเราก็คิดไม่ได้เป็นห่วงเป็นใหญ่วัดไปไหนก็ไม่ได้ไปจะกินอะไรก็หมกหมกซ่อนซ่เก็บเก็บเอาไว้ พอจะได้เอาไว้กินต่อไปกินอิ่มนอนหลับสุขสบายแสนสุขก็มองไม่เห็นทุกข์ของชาวบ้านมองเห็นทุกข์ของคนอื่นเข้ากระทั่งพ่อแม่เนี่ยเรายังไม่ค่อยจะคิดถึงเลยเราจะมีจิตได้สำนึกเนี่ยนึกถึงคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก็คือพ่อแม่เรา ได้สอนเรื่องปัญญาก็คือวิปัสนาลวนล้นให้เรานึกคิดเรื่องของวิปัสนาเมื่อเรามองเห็นตัวเองแล้วก็นึกตามเข้าไปในตัวของตัวเราอย่าไปนึกถึงคนอื่นก็เรียกว่ามีจิตใตจสำนึกที่คิดคิดเป็นป่ะฮะคิดเป็นไหมนึกได้เป็นไหมนึกถึงตัวเองเนี่ยสอนตัวเองเป็นไหมอหม สอนได้ปะต้องให้คนอื่นมาสอนใช่ไหมจะต้องให้คนอื่นมาพูดกรอกหูทุกวันใช่ไหมด่าตัวเองในใจไอ้เวนไอ้ห้ารอยี่ห้าร้อยเล่มเกวียนด่าใจตัวเองด่าตัวเองว่าโอ้โหกูลุ่มหลงมึงมาตั้งนานเนี่ยกูคินึกว่ามึงกับกูเนี่ยจะมีความสุขไหนทองอะ่ฮะฮ้ทองมึงอยู่ไหนมึงอยากได้ทองใช่ไหม ทองก็คือวัตถุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่หายากเท่านั้นเองเรามายึดมั่นถือมัน่นบางคนตายเพราะทองถูกปนถูกฆ่าตายเพราะ ก, กระดาษกระดาษก็คือเงินตายเขาโลกภายนอกเขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะความลำรวยที่ยึดติดถือมั่นถือมั่นว่า ของกูตัวกูก็เลยถูกเขาฆ่าตายโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตนเลยว่ามันเอาไปไม่ได้บางคนปลูกบ้านหลังใหญ่โตให้พมา่าอยู่เสียค่าน้ำเข้าไปให้กับพมา่าลาวเขมรตัวเองก็ไม่ได้อยู่ได้กินทํางานงอกๆๆพอปลดกเกษียณปุ๊บเสียนมันก็เริ่มปลดเราเหมือนกัน ก็คือสมองเราเนี่ยความคิดเราเนี่ยเริ่มเสื่อมลงลงหล ง, ล, งลืมลืมแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ละไม่ได้ตัดไม่ได้เลยก็ยึดมัน่นถือมัน่นก็คือสมบัติของกูก็ไม่ได้มองเห็นพ่อแม่ที่เป็นตายจากเราไปเนี่ยท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้จะทำยังไงมันก็คิดไม่ได้นึกไม่ออก พ่อแม่ทํามาคุณงามความดีส่งให้เราเล่าเรียนมีสติปัญญาเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์แต่เราก็ไม่คิดถึงพ่อแม่ยังบอกว่าโอ้ยแม่จะรู้อะไรพ่อจะรู้อะไรเรียนก็เรียนน้อยแก่ยังจะมารู้ดีกับลูกได้ยังไงฉันตกถึงด็อกเตอร์นั่นะด่าพี่ด่าน้องดูถูกญาติมัดขาดมิตร ดูถูกมนุษย์ด้วยกันที่เขามีความรู้ความสามารถน้อยกว่าแทนที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันแล้วกันแทนที่เราจะได้ช่วยเหลือมีความรู้มีความชำนาญมากก็เอามาสอนกันต่อๆแต่การสอนเนี่ยก็คิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะหลวงพ่อสอนตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นได้ตังสักบาทเลยเนี่ยมันต่างกับอาจารย์ที่สอน บางคนพอใจไม่พอใจก็ไม่ให้นักเรียนผ่านอีกต่างหากคนที่เป็นอาจารย์บางทีทำบาปโดยไม่รู้ตัวเนะเป็นครูอาจารย์ก็ฝากไว้ไม่ได้ว่าหรือตาหนิบางคนย้อนหลวงพ่อว่าอะละที่มันไม่มาเรียนละ่ะมันอีกกรณีหนึ่งที่เขาไม่เรียนนะเหมือนเราเคยขาดโรงเรียนั้มบางคนที่ไม่มาเรียนก็อาจจะไม่มีปัจจัยมา บางคนพ่อแม่ให้ปัจจัยมาก็ไม่อยากมาไฝ่เรียนไอ้ที่ไม่เรียนมันก็ต้องสอบไม่ได้ไปเองแหละพอให้มันสอบมันก็สอบไม่ได้ให้มันเรียนมันก็จำไม่ได้เพราะมันไม่มาเรียนอั น, นั้นเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งแต่อกรณีที่ว่าลองลูกของตัวเองเรียนไม่ผ่านบ้างนะลูกอาจารย์ยังเคยมาถามเลยตัวอาจารย์ยังมาถามอาตมาเองเลย พ่อเจ้าขาลูกดิฉันเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงไม่ชอบเรียนาแล้วเองทำงานอะไรเป็นอาจารย์กัเอา้าวเองเป็นอาจารย์แล้วทำไมสอนลูกลูกทำไมน่าจะเรียนรู้ได้เยอะนะเขาไม่ฝักใฝ่เรื่องเรียนเลยดิฉันก็พยายามทุกอย่างแล้วเราก็บอกว่าเออเนาะเราลองคิดดีๆซิว่า ตอนเราเป็นเด็กๆนี่โง่ไหม อ, อ๋อดิฉันก็โง่เหมือนกันไปบ้างไม่ไปบ้างเพราะว่าบ้านยากจนเนี่ยเริ่มเข้าล่องแล้วแล้วเวลาเองเป็นอาจารย์เนี่ยเองเคยให้เด็กผ่านหรือไม่ผ่านบ้างเออดิฉันไม่มาเรียนฉันก็ไม่ให้ผ่านที่เรียนไม่รู้ผ่านไม่ได้ดิฉันก็ให้เขาเรียนซ้ําค่ะเออมันก็เหมือนลูกมึงเลยนะ พูดไปพูดไปมันเหมือนกับเข้าตัวเองความความจริงการเรียนรู้นี่เป็นการสมมุตินะลุงพ่อนี่ก็ไม่จะเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนได้ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยอะไรไม่ใช่ก็เหมือนพวกเรานี่แหละแต่การใช้ชีวิตประสบะการณ์ชีวิตเนี่ยมันแตกต่างกับคนที่เรียนเยอะ คนเรียนเยอะก็มีภาษาของหลักการวิชาการเหมือนคนซ่อมรถกับครูสอนซ่อมครูสอนซ่อมมันซ่อมไม่ได้แต่ไอคนชำนาญเนี่ยมันซ่อมได้หมดแม้กระทั่งเสียงเนี่ยก็ได้ยินรู้เลยว่ามันจะต้องพังอะไรเสียอะไรก็เหมือนกับชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยให้โอกาสซึ่งกันและกัน คอพยายามประคับประคองสิ่งที่คนที่ไม่มีเราก็ประคับประคองคนที่ไม่มีเนี่ยก็คือเอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่คนที่ทำไม่ดีเราก็ให้โอกาสเขาทำไมเราไม่อยู่กันแบบพ่อแม่แล้วก็ลูกญาติพี่น้องของเราลุงพ่อได้เห็นคนที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับพี่น้องรู้จักกันมา อาหารการกินก็แบ่งปันกันคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีก็พยายามกลับตัวกลับใจไม่ลังเกียดดังแห ล, ลังแงลังงอนกันไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันทั้งคําพูดการกระทําต่างๆนานาแต่ก็คงมีบ้างนะคนที่ไม่ใช่เจ้าของดันหวงของคนที่ไม่ใช่ชํานาญที่จะชี้เขาได้ก็สอนธรรมะคนอื่นใหญ่ ตัวเองก็สอนตัวเองไม่ได้ดันไปสอนคนอื่นอันนี้คนรู้เท่าก็เดินหนีบ้างบางทีก็โต้ตอบขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องปกติเนี่ยไอ้ปัจจัยตั้งไว้เนี่ยตั้งแต่วันแรกถ้าทุกคนหวงเนี่ยก็นั่งเฝ้านอนเฝ้ากันเก็บยกไปยกมากลัวมันจะหายแต่ถ้าเราคิดดีว่าเออไอ้คนเอาก็คืออยู่ในนี้นี่แหละ ในไอสาราที่เราปฏิบัติกันเนี่ยไอ้คนจะเอาก็คือคนไม่มีเพราะความอยากได้ขโมยจากกรุงเทพกรุงทันขโมยจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันคงไม่มาลักเรากก็ไอ้ขโมยก็คือคนที่อยู่ในนี้นี่แหละไอ้คนกินแล้วก็ขี้เต็มถังเนี่ยก็ไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละ ลูกพ่อยังไม่ค่อยได้จักขี้เลยตั้งแต่ขึ้นมาในบริการสองครั้งครั้งแรกก็ขันน้ำก็ไม่ค่อยจะมีนั่งก็ลุกค ก, ก ก, กครั้งสองเมื่อวันก่อนนี่เองเข้าไปถังก็เต็มอีกแถมโยมอะไรรู้ก็แหกม่านไปเจออีก หลวงพ่อก็ว้อยล้องลั่นไปเลยอีคนมาก็เอาว้อยขอโทษไม่รู้มันเห็นของกูหมดก็บว่า ก, ก็ไม่รู้ตางคนตงไม่ตั้งใจจะดูกันตางคนตั้งสว่าปามของเลวร้ายเข้าไปก็เลยจะต้องถ่ายเหมือนกัน กูเห็นมันโดดย้งออกมากูก็ง่ายท้องออกเลยต่งคนตังกลัวกันถ้าตั้งใจมันก็ต้องแน่นัดกันมาพระอรให้เฝ้าหน้าประตูพระอรก็ขำใหญ่ชอบใจว่าเขาไปดูกระจุหลุงพ่อเออไอเด็กเฮี้ยมันไม่ช่วยเรา ออกมาเราก็ไม่รู้ว่าไขจําหน้าไม่ได้ซะด้วยมันโพแว บ, บเดียวสัญญาเราก็ไม่ได้จําว่าแม่นยำมันแว บ, บเข้ามาเราก็กลัวว่าเขาจะเห็นกระจู ก, ก็รีบปิดใหญ่ฟ้าขันมาบัง <c oughs> อีนั่นมันก็เสียงว้ายแหกเสียงโลโ ล, โลออกไป กูก็นั่งนึกโหอยู่มา29ปีไม่ให้ใครเห็นเลยไม่รู้ใครโชคดีถูกหวยไปซะแล้วคุณโชคดีจริงๆ <laughs> ถ้ารู้ว่าใครก็มาแจ้งข่าวด้วยว่าเห็นหรือไม่เห็นแต่มันต้องเห็นขี้กูแน่ <laughs> กูก็เห็นหน้าจำไม่ได้ออกมาพระทรจำได้มั้ยจำไม่ได้มันวิ่งโลกออกไปเลยวางั้น <c oughs> ถามพระธรพระท ร, ร, ะทรแกก็หัวเลาะชอบใจว่ายมดูกระจูหลุงพ่อเออกูว่าต้องมีเจออย่างกูมั่งเนี่ยไอสั ญ, ญลักษณ์เฮียอะไรของมันในขวดเข้าขวดออกเนี่ยออกูก็งงนะกูก็ เออเอาขวดห้อยออกทางนอกจะได้รู้ว่าคนอยู่นะอ่า <c oughs> เสร็จแล้วไอ้ขวดออก้างนอกแสดงว่าไม่มีคนอยู่ว่ากนะัน <c oughs> กูก็คิดผิดนะ <c oughs> เอะเอไอ้มันเห็นขวดมันก็น่าจะรู้นะว่าคนอยู่แต่ก็ดีตงส่ลุงพ่ออ๊ดตั้งกฎไว้ <c oughs> กูก็โชว์เลยออกมาว่ากูอยู่ทางในนะ สวบเข้าไปกูไม่ขี้ตั้งแต่วันนั้นจนทั้งวันนี้เนี่ยลองดูแต่แต่ก็ไม่ได้โกรธกันแต่กูก็อายนะกูก็รีบบฝาขันปิดเป็นกระจับเลย <c oughs> <c oughs> ก็แจ้งข่าวด้วยนะโยมนะไอ้คนที่สวบเข้าไปหากโอะเจอหนอนโอฮิชิหรือเปล่าวะ อายฮะรก็ขำไอ้กุลกุลอยากจะถีบมันให้ตกหล่นให้เฝ้าเลยเมื่อวานได้ข่าวว่าขี้ทั้งวันเลยพระธรเวรกรรมไอ้ผมก็ทองเสียเล่าให้พี่มหาฟังพี่มหาแกก็ขำชอบใจหลวงพ่อต้องเสียวันลงขึ้นเขาว่าแกก็ขี้ทั้งวันเหมือนกัน <c oughs> กรรมใดใครก่อก็ต้องเจอสภาพ ตามสภาพนั้นๆเกิดมาเนี่ยโอ้โหมันทรมานที่สุดชีวิตของมนุษย์แย่งกันกินแต่ก็ไม่ได้แย่งกันนอนนะแต่วาลาถ่ายเนี่ยแม้มันจำกัดพอราดน้ำไปน้ำฟูดขึ้นสวนมามันล้นถังโดดย่งออกมาเอเขาก็เห็นกระจุด้วยวันนี้ แทงก็เต็มน้ำขี้กว่าเต็มโอ้ยเดินสั่งก็ทั่วหมดว่าให้เขาเอารถมันดูดหน่อยเขาบอกว่าดูดไปตั้งแต่วานและสองเที่ยวยังไม่หมดเลยว่างั้นโอ้โหนี่มึงกินอะไรกันถึงรถแบกไปสองเที่ยวยังไม่หมดกูอยู่ไม่ไหวปีหน้าเอาแค่สองวันพอไว้ <laughs> กะว่าสองวันก็น่าจะเต็มแล้ว เรื่องสร้างห้องน้ำเพิ่มกูเห็นไอ้ช่างมันก็ตั้งเสามาหลายวันมันไม่ไม่ไปไหนสักทีเน่เราก็คิดว่าเออทำหน้าที่ให้เป็นช่างเขาทำไปเรามีหน้าที่จ่ายปัปจจัยไปเก็บตังไว้หัวนอนเนี่ยวงจรชีวิตเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปคิดไปนึกไปตึกไปตองดู หลวงพ่อก็สอนเรื่องของวิปัสสนาก็ให้รู้เหตุว่าชีวิตมันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความจริงการปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ยึดอารมณ์อะไรไม่ได้เลยตั้งสติตัวเดียวตั้งสติให้รับรู้รู้ลดรู้ชาติรู้เหตุรู้ผลรู้ตัวรู้ตนเนี่ย มันก็อยู่ได้นะอยู่ได้ในชีวิตเอาละเช้าๆอย่างนี้นะัก็ค่อยๆนะตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตวิญญาณให้เป็นปกตินะก็จะได้กราบน้ำไอ้กวดน้ำ